ก็คุยในประเด็นเดียวกันก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะตัวเราไม่มีใช่ไหมอืมทีนี้จะทํำยังไงให้ให้รู้จักว่าตัวเราไม่มีพระพุทธเจ้าท่านก็สอนในสิ่งที่มีว่าสิ่งที่มีทั้งปวงนั่นแหละมันก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันบันพลิกนิดเดียวอ่ะนะก็หมายถึงว่าแต่เดิมเราเข้าใจว่าทุกสิ่งที่มีอยู่เช่นที่เกิดเรียกว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเราเข้าใจไปว่าเป็น เป็นตัวเราแล้วเป็นของเราที น, นี้โดยแท้จริงโดยทำก็คือมันไม่มีตัวเราแล้วก็ไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าจึงพิกนิดเดียวบอกว่าไอ้ที่มีเนี่ยไอ้ที่ร่างกายก็ดีไอ้ที่จิตใจก็ดีมันไม่ใช่ตัวเราก็หมายความว่าสิ่งนี้มีอยู่เออนะสิ่งนี้มีอยู่แต่ก็มันไม่ใช่เราสิ่ง น, นี้พอเป็นอย่างนี้ถ้าเราแบบก็เรียกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งก็ได้อ่า มันก็จะเห็นว่าอะไรก็ตามที่เป็นส่วนของร่างกายเออนะที่เป็นส่วนของร่างกายเป็นส่วนที่เป็นจิตใจท่านก็ต้องสมมติชื่อขึ้นมานี่แหละนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะง่ายแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเราจะขายายความเพื่อความเข้าใจแบบสมมติสมมติก็คือว่าเช่นเดินก็ดีใช่ไหเออ เคลื่อนไหวก็ดีมันก็ไม่ใช่เราที่เดินมันก็ไม่ใช่เราที่เคลื่อนไหวทั้งๆที่สิ่งนั้นอ่ะมันก็มีอยู่ปรากฏอยู่เออแต่ว่าหรือว่าความเจ็บความปวดความร้อนความหนาวความป่วยความไข้มันก็มีอยู่ของมันแต่ก็มันก็ไม่ใช่เราเห็นไหมมันพลิกล็อกนิดเดียวเนี่ยอือทนี้อารมณ์ทางจิตใจเช่นความสุขความปิติความอิ่มเอิบใจความโกรธความแค้นความรักความชัง ความเบื่อความเซ็งความสบายไม่สบายทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราอีกแหละเออก็มาก็เป็นแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันมีเขาตั้งชื่อขึ้นมาเฉยเฉยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ให้ให้รู้แจ้งว่าแท้จริงเราไม่มีก็คือก็ให้เห็นสิ่งที่มีนั่นแหละว่ามันไม่ใช่เรานาะมันก็พลิกติดเดียวมันก็เข้าใจได้อืมทีนี้เราว่าเราพูดมาถึงขั้นเนี้ยน่าจะพลิกได้แล้วว่าเออใช่ตัวเราไม่มีแล้วถามว่ามีอะไร มันก็มีสิ่งนั้นแหละแต่ว่ามันไม่มีชื่อก็ได้จะตั้งชื่อแบบสมมติสมมติก็ได้แล้วมันก็มีชั่วเอจะรู้จะเห็นจะทราบกันได้จนกว่าจะเส้นลมหายใจใช่ไหมเออขณะใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ที่ไม่หลับคือรู้สึกได้ก็จะรู้อยู่เห็นอยู่ว่าสิ่งเนี้ยมีแต่สิ่งเนี้ยมันไม่ใช่เราเออเนาะเพราะงั้นจริงๆมันก็คือคือง่ายไงเออง่ายแล้วเพราะว่าใช่เราไม่มีแต่มีสิ่งนั้นแหละอืมก็จบ